ดังนั้นทรัพย์เกิดขึ้นแก่คนดีคนหนึ่งก็เท่ากับเกิดขึ้นแก่สังคมด้วยบุคคลดีที่มั่งมีขึ้นนั้นก็เป็นเหมือนเนื้อนาดีที่ข้าวงอกงามขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของคนทั้งปวงสมดังพุทธพจน์ในสัพบปบิษสูตรที่สองอังคุตรนิกายอัตการนิบาตว่าสัตว์บรุษเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของคนทั้งปวง และผูธธ้ถอดในปฐมาปุติกสูตรสังยุตตานิกายสขารวรกว่าทรัพย์มีแก่คนดีเหมือนมีสระน้ําในที่ใกล้บ้าน ท, ทุกคนได้กินใช้สุกสดชื่นแต่ทรัพย์มีแก่คนร้ายเหมือนสระน้ําอยู่ในถิ่นอมนุษย์ถึงจะใส่ดีรื่นรมก็ไร้ประโยชน์คนมั่งมีตามหลักการนี้พึงยินดีเอิบอิ่มใจที่ได้มีความสามารถทําหน้าที่เป็นตัวแทนเป็นเจ้าการ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 ยิ่งร่ำรวยขึ้นสังคมยิ่งสู้โสมลงเพื่อนมนุษย์ยิ่งมีทุกข์ทรมานมากขึ้นก็เป็นเครื่องแสดงว่ามีการปฏิบัติผิดต่อทรัพย์ทรัพย์ไม่เป็นปัจจัยอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ของมันไม่ช้าสังคมก็จะระส่ำระสายในที่สุดถ้าไม่ใช่บุคคลมั่งมีอยู่ไม่ได้ก็สังคมอยู่ไม่ได้หรือทั้งสองอย่างสังคมอาจปลดเขาจากตําแหน่ง